คามเย็นนะแล้วก็คงทราบกันดีนะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่ห้างพารากอนกรุงเทพมีการจะเรียกว่าไลย่ยิงคนตายไป 3-4 คนบาดเจหลายคนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์คณะจิตวิจัยจุฬาลงกรณ์ามหาวิทยาลัยก็เรียกว่าออกคำแนะนำ หรือคําขอร้องก็ได้มาถึงผู้คนทั่วไปหรือต้องสื่อมวลชนว่าขอจะได้เอ่ยชื่อของผู้ก่อเหตุเดี๋ยวทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนพิเศษเดี๋ยวทําทให้เขามีตัวตนหรือว่าดูเท่ดูน่ายกย่องหลายคนก็อาจจะสงสยัยทําไมคนที่ก่อเหตุอย่างนี้ เราจงไม่ควรจะเอ่ยชื่อเขาหรือว่าพูดถึงตัวตนของเขาอันนี้ก็เพราะว่าการไม่เอ่ยชื่อการไม่ให้พื้นที่กับคนที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลดแรงจูงใจในการเรียนแบบ เพราะว่าในการแบบนี้เนี่ยหากว่าสื่อโคมข่าวรวมทั้งอเอ่ยชื่อผู้ก่อเหตุไม่ว่าจะอายุ14หรือว่า20 30ก็ตามมันก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีคนเรียนแบบทำตามบ้าง เพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาอยากจะมีตัวตนอยากจะเป็นที่รู้จักอยากจะเป็นซัมบอดี้ถ้าสื่อประโคมข่าวเนี่ยถ่ายรูปลงชื่อเนี่ยคนที่สแสวงหาชื่อเสียงอยากมีพื้นที่อยากเป็นซัมบอดี้เนี่ย ก็อาจจะเกิดแรงจูงใจในการทํเาเตุไลน์แบบนี้ขึ้นมาอีกมันมีคนแบบนี้นะผู้ง่ายคืออยากดังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะกว่าคำว่าอยากดังไอการอยากมีตัวตน เป็นที่รู้จักของผู้คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนหอย ห, หานเะพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นน o บอดีแล้วเขาก็ทนไม่ได้นะที่จะเป็นน o บอดีหรือว่าไม่มีตัวตนในสายตาของใครเลยมันทรมานมากเมื่อสิสิบปีก่อนเนี่ยนักร้องดังคนหนึ่งนะจอร์ลดนนอนเนี่ยถูกลอบยิง ที่จริงไม่ให้รอบยิงอ่ะยิงต่อหน้าเลยนะจนตายคนที่ยิงเนี่ยก็ไม่ได้โกดแค้นจอร์แดนนอนที่จริงเป็นแฟนเพลงจอร์แดนนอนด้วยชื่อมาร์คชัแมนเมื่อเขาถูกจับได้นี่เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าได้ฆ่าจอร์แดนนอนแล้วเนี่ยผมจะเป็นซัมบอดีขึ้นมาเราใช้คำนี้นะซัมบอดีเพราะว่าเขาเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็น no body มาตลอดเลยเขารู้สึกว่าเขาล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องการประกอบอาชีพสังคมมริการเนี่ยมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าจะต้องมีตัวตนจะต้องประสบความสำเร็จ พอไม่มีความสำเร็จอะไรสักอย่างตามมาตรฐานของสังคมก็สัวตัวเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีตัวตนในสายตาใครเลยเพราะทนไม่ได้นะเขาค่าตัวตายนะฆ่าหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จพอฆ่าตัวตายไม่สำเร็จเขาก็เลยหาวิธีใหม่นะทำไงถึงจะเป็น somebody ก็เลยเลือกจอ h ์เลนนอนมาเป็นเป้า แล้วเขาก็ได้ดังสมใจนะเพราะว่าสื่อว่าประโคมข่าวทั่วโลกเลยนะมาร์คแชปแมนกาเป็นคนที่มีชื่อเสียงกระจนขจายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกสมปรารถนาเขาเลยนั่นก็เลยเป็นเหตุให้มีคนที่คิดทำแบบนี้ตามมาอยู่เรื่อย ที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในอเมริกาก็มีการจับฆาตกรต่อเนื่องได้คนหนึ่งตอนที่ฆาตกรต่อเนื่องมันถูกจับได้ให้สัมภาษณ์กับสุพิมว่าเนี่ยต้องให้ผมฆ่าคนกี่คนนะสื่อมวลชนถึงจะลงข่าวหรือว่าคนทั่วไปจะให้ความสนใจกับผม เขาบนว่าเนี่ยกว่าสื่อมวลชนจะลงข่าวเขาได้นี่เขาก็ต้องฆ่าคนไปแล้วหกคนหอดูมันก็เป็นเหตุผลที่มันน่าเศร้านะฆ่าเพื่อนมนุษย์เพียงเพราะว่าอยากจะให้อยากจะปรากฏเป็นชื่อนะมีชื่อในสื่อเป็นที่สนใจของคนทั่วไป อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการในการที่เป็นซัมบอดี้หรือมีตัวตนในความกข้าใจของเขามีตัวตนคือเป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าวขานหนังสือพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์รู้สึกเป็นคนสำคัญขึ้นมาทันทีเลยว่าเอาเป็นคนดังแม้จะดังในทางร้าย เขาก็ถกว่าคุมนะดีกว่าไม่มีตรวจตนซึ่งมันทุกข์ทรมานมากด้วยนี้เนี่ยในระยะหลังเนี่ยก็มีการพยายามรณรงค์นะว่าเวลามีเหตุการณ์ทำนองเนี่ยฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลเรียก ว, ว่าฆ่าหมู่ซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมาก ก็เลยพยายามรนรงว่าอย่าไปถ่ายรูปลงชื่อของผู้กอ่อเหตุเพราะมันจะเป็นแรงจูงใจให้คนที่สมัยนะ้เรียกว่าหิวแสงเนี่ยทำอย่างนั้นบ้างที่นิวซีแลน์เนี่ยเมื่อสปีก่อนเนี่ยมันมีการกลาดยิงคนเนี่ยในสูเรานะ มีคนตายไปห้าสิบกว่าคนนายรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ยขอร้องสื่อมวลชนเลยว่าจะลงชื่อเขาเธ อ, อให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยในเมื่อผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องการมีชื่อเสียงในทางเช้าเนี่ย เราก็อย่าให้อะไรคนเลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อของเขาแล้วก็สื่อมวลชนหลายแห่งเขาก็ทำตามนะไม่ระบุชื่อเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาได้สมอยากเพราะบางทีเนี่ยพวกนี้นอกจากอยากดังหรืออยากมีตัวตนในสายตาของผู้คนแล้วก็ อยากจะสร้างความสะเทือนขันสะเทือนขวัญเรียกที่เป็นเหุผลอันหนึ่งของการก่อการร้ายคือให้คนเนี่ยเกิดความสึกสะเทือนขัญและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แค่คนเนี่ยเกิดอาการหวาดกลัวไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้มันก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์ของาแล้ว เพราะเนี้ยทางนักดนตรีองค์อสุอดแหลงก็เลยขอร้องหนังสือเขาก็ร่วมมือนะไม่เ อ, อ่ยชื่อไม่ระบุไม่ถ่ายรูปซึ่งก็ช่วยลดแรงจูงใจในการเรียนแบบได้แต่เมืองไทยเราก็ไม่รู้นะว่าเข้าใจเรื่องนี้แค่ไหนเพราะว่า สื่อก็ดีผู้คนก็ดีไม่เข้าใจเนี่ยเวลาเจอเหตุแบบนี้ก็อยากจะรุมประนามอยากจะขุดคุยว่ามันคือใครพ่อแม่มันเป็นใครทำไมไม่สอนทำไมไม่อบรมไอ้ความเกลียดชังเนี่ยอยากจะประนามหรือ โจมตีให้สะสมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับใครบางคนซึ่งต้องการเรียนแบบเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่หิวแสงหรืออยากจะมีพื้นที่ในสื่ออยากจะเป็นที่รู้จักอยากจะเป็น somebody เนี่ยมันมีเยอะ พอสังคมทุกวันนี้เนี่ยขาพยายามสร้างให้คนเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องมีตัวตนฉันต้องเป็นซัมบอดี้เพอะสังคมสมัยนีย้เราเน้นเรื่องการเป็นปัจเจกมากเราจะเราต้องมีพื้นที่ต้องมีตัวตนถ้ามีตัวตนหรือได้รับการยอมรับ ในทางดีไม่ได้ก็ขอเป็นที่ยอมรับนับถือในทางชั่วก็ยังดีอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะเป็นแรง ย, ยุงใจทำให้วัยรุ่นหลายคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยกพวกตีกันบ้างหรือว่าอารวาดก่อกวนรังควาน อยูบางทีก็สร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนเช่นแข่งรถซิ่งหรือเป็นแก๊งสมุไรเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่เรียกว่าล้มเหลวนะจากการศึกษาล้มเหลวจากสังคมตัวตนติดลบก็อยากจะสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นที่ยอมรับก็เลยทำอะไรก็ได้ ให้เป็นที่รู้จักเล็กน้อยเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนใครจะด่าไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีแก๊งมีเพื่อนมีกวนก็ยอมรับนับถือก็รู้สึกมีตัวตนขึ้นมาแค่นี้เขาก็พอใจแล้วอันนี้เรียกว่าเดินทางดีไม่ได้ก็ขอให้เดินทางร้ายให้ความปรารถนาเป็นที่ยอมรับ ของคนอย่างน้อยก็กลุ่มหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเข้ากวนเข้าแกงรุ่นพี่เนี่ยก็ชวนให้ทำสิ่งที่เลวร้ายหลายอย่างทีกนึงก็ไป ชวนให้ไปทำร้ายคนเอาปืนให้นะให้กักวัยรุ่นคนนี้จัดการเลยเอใช้ปืนยิงนะคนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้รู้จักอะไรเลยไม่ได้โกรธแค้นแต่พลาดนะรุ่นพี่ก็ชมนะเออแต่กล้าแนะแต่ข้าวหน้านี่เอาให้ตายนะ อย่ายิงพลาดดิในวัยุ่คนนั้นเนี่ยมันต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนแล้วของรุ่นพี่มันก็เลยสุดท้ายก็ยิงคนตายเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากนะต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนของรุ่นพี่เพราะชีวิตเขาก็มีแค่นี้แหละพ่อแม่ก็ลุมปรนนามสังคมโรงเรียนก็ขับไล่สส่งเป็นโนบอดี้ พเพิ่มมาเป็นซัมบอดี้ก็ในกลุ่มกวนนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยรุ่นพี่หรือพักพวกจะให้ทำอะไรก็ทำขอให้เป็นที่ยอมรับนี่ก็ธรรมชาติของคนเรานะมันต้องการเป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่แล้วก็สร้างการยอมรับโดยการทำความดีทำตัวให้สุภาพมีความเอื้อเฟือ้อเกือ้อกูล หรือว่าประสบขยันขันแข็งทาความประสบความสำเร็จในอาชีพการงานก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูมิสหายแต่คนบางคนหรือจำนวนมากเนี่ยเขาไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีติดลบไม่มีตัวตนเลย ก็เลยพยายามจะแสวงหาตัวตนจากกลุ่มกว้วนในการทำอะไรก็ได้ให้เป็นที่ยอมรับรวมทั้งการทำชั่วอาจจะป้นจี้ฆ่าคนข่มขืนเล่นยาสารพัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความต้องการมีตัวตนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะพวกที่ ทำตัวเก่งไม่เหลืเกเอพวกแก๊งมตส์แก๊งแก๊งสมุนไรหรือคนที่ยากจนนักเรียนอาชีวะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเด็กที่เรียนสูงมีครอบครัวที่ดีมีพ่อแม่ที่มีฐานนะก็ป่วยได้โรคแบบนี้เหมือนกันต้องการมีตัวตน มีที่ยืนพอรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนะพ่อแม่ก็ดา่าหรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ให้การยอมรับแม้เขาจะเรียนดีก็ยังคิดว่ายัางดีไม่พอรู้สึกล้มเหลวก็เลยหา อ, อะไรก็ได้ที่มะทําให้ตัวเองมีตัวตนแล้วคนร้อเนี่ย มันมีความต้องการตรงนี้นะเพราะเรามีกิเลสกันทั้งนั้นเน่เรามีสิ่งที่เรียกว่ามานะหรืออัตตาซึ่งมันทำให้ผู้คนเนี่ยที่ไม่รู้ทันเนี่ยต้องการเป็นที่ยอมรับแล้วมันก็พยายามที่จะประกาศมันทำให้หลายคนต้องการประกาศตัวตนว่ากูเก่งกูดีกูหล่อกูเท่กูสวยกูสาวพวกนี้ก็ เป็นการพยายามประกาศตัวตนแบบหนึ่งหรือว่าต้องการเป็นซัมบอดี้ในแบบของตัวซึ่งถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็พาเราทำอะไรไปแปลกๆ ม, มีพ่อค้าคนหนึ่งนะนมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าว่าเขาไปไปหาซื้อผลไม้แถวกรองเตย แถวนั้นก็มีแผงผลไม้เยอะก็เริ่มจากแผงที่หนึ่งนะดูผลไม้ถามราคานะแล้วก็ไล่ไปจงถึงแผงสุดท้ายแล้วกลับมาแผงที่หนึ่งคราวนี้เขาก็เลือกแล้วเพราะรู้ราคาแล้วเนี่ยมะม่วงส้มเลือกแล้วจะจ่ายเงิน พ่อค้าบอกไม่ขายเพราะเมื่อกี้เนะเมินเฉยเขาไปสนใจแผงอื่นโกรธนะโกรธกรูกู้ค้าคนนี้เลยไม่ขายเพราะว่าไม่ให้ความสำคัญกับเขาแบบนี้ก็มีนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดานะคนเรามันต้องการไม่ใช่แค่การยอมรับแต่การรู้สึกว่าได้รับความสำคัญ การที่ลูกค้าเนี่ยเมินผลไม้หรือแผงของเขาทีแรกเนี่ยมันทำให้เขาไม่พอใจไม่พอใจถึงขั้นไม่ยอมขายสะทั้งที่มันเป็นอาชีพนะของเขาอยู่แล้วแล้แบบนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะคารวานนะพระก็เป็นนะมียมมัก็เล่า ว, ว่าเนี่ยแกก็ใส่บาทนะทุกเช้า พระที่มารับบาดเป็นประจำก็เป็นหลวงพ่อแล้วปกติก็ใส่บาดผ้ารูปเดียวแต่วันนั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่มารับบาดเขาก็เลยเดินไปที่มุมอื่นนะเพื่อที่จะใส่บาดผ้าอีกรูปนึงซึ่งมักจะเดินผ่านเทานั้นเขากเห็นผ้ารูปนั้นเขาก็รีบเดินไปเลยนะเพื่อที่จะไปใส่บาด พรรุ่นน่ะพอเห็นเขาก็หนี้เลยโยมนี่ก็เลินตามพอเจอถึงแล้วเนี่ยจะใส่บาตรพระไม่ย้อนม่าแต่ก่อนนี่ไม่เคยใส่บาตรเลยนะทำไมวันนี้จะมาใส่บาตรฉันไม่รับไม่รับบาตรนะพ่อะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยใส่บาตรท่านเลยรู้สึกไม่ได้รับความสำคัญ ตอนนั้นเนี่ยวันนี้จะมาใส่บาตชั้นๆันไม่รับอันนี้มันมาจากอะไรนะมันมาจากกิเลส ต, ตัวที่ชื่อมานะมาณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบากบัน่นขยันบั่นเพียรนะมันแปลว่าความถือตัวถือตนหรือถ้าผู้ภาษาสมัยใหม่คืออัตตาหรืออีโก้ไอคนเราเนี่ยถ้าว่าเราไม่รู้เท่าทันอัตตานีมันก็จะมีพฤติกรรมแบบเนี่ย คือต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการได้รับความสำคัญถ้าไม่ได้รับความสำคัญก็จะมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความเกลียดหรือมีพฤติกรรมแรงต่างและเป็นเพราะว่ามาหน้าเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยโหยหาคำชื่นชมคำสรรเสริญ เวลาทำอะไรก็อยากให้คนชมนี่มันก็เป็นอิทธิพลของมานะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งอยากให้คนชมทําดีแล้วเขาไม่ชมหรือทําดีแล้วเขาไม่เห็นก็ไม่พอใจบางทีก็น้อยใจแล้วถ้าเป็นไปได้ก็พยายาม อวดพยายามประกาศตัวไอ้ความที่ไอ้แรงจูงใจที่อยากอวดนะมันก็มาจากมันนะเพราะว่าอยากให้คนชมอยากดูดีในใสายตาคนอื่นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีช่องทางในการอวดตัวได้มากเลย สมัยก่อนเราทาความดีเนี่ยจะอวดใครเนี่ยไม่ต้องรอเพื่อนรอเจอเพื่อนอ่ะถึงจะอวดได้ว่าฉันทำโน่นทำนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเพื่อนแลเพะมีเฟสบ o ๊กนะมี facebook เนี่ยทาทำดีอะไรขึ้นมาก็ประกาศเลยว่าได้ไปทำบุญที่นั่นที่นี่ได้ไปปฏิบัติธรรมหรือบางทีไม่ได้แคททำความดีแค่ไปกินอาหารที่อร่อยไปเที่ยวต่างประเทศก็อยากอวดแล้ว แล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นโทษนะว่าไอ้ไอการที่อยากจะอวดอยากจะโชว์แบบนี้เนี่ยมันมันเป็นพิษเป็นภายกับจิตใจเราอย่างไรพอใช่จริงก็คือการไปปรุงไปปรนเปลืปอัตตาไปหล่อเลี้ยงอัตตาให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำให้ทําอะไรก็อยากจะอวดอยากจะโชวนะ์เดี๋ยวนี้แม้กรั่งมาวัดนี่ก็ต้อง ต้องถ่ายรูปนะกับหลวงพ่อจะได้ไปอวดคนนั้นคนนี้แต่ก่อนนี้ต้องเอาภาพไปอวดแต่ทีนี้ไม่ีนี้ไม่ต้องเอาภาพไปอวดแล้วโพสเฟ e บุ๊กเลยนะว่าฉันมีบุญได้มากราบหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้อันนี้ก็เป็นการอยากจะอวดแบบหนึ่งนะซึ่งพอทำแบบบ่อยๆมันก็เป็นการไปหล่อเลี้ยงอัตตา ไห้ใหญ่โตแล้วก็กำเริบพอมันกำเริบ เ, เ, เ, เนี่ยเวลาทำอะไรแล้วไม่มีคนชมก็จะไม่พอใจก็จะทุกข์หรือว่ายิ่งถ้ามีคนมาตําหนิด้วยเนี่ยยิ่งโมโหใหญ่เลยเพราะมันรู้สึกถูกกระแทกนะอัตตายิ่งใหญ่ก็ยิ่งถูกกระแทก ง, ง่ายยิ่งนี่แต่คาตําหนิเลยแม่ไม่ชมเนี่ยไม่กดไลคให้นี่ก็ทุกข์แล้ว ไม่พอใจแล้วกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายแล้วก็คอยทําให้อิจฉานะอิจฉาคนที่เขาเด่นกว่าดังกว่าดีกว่าเคร่งกว่าหรือถ้าเป็นคนที่กายวัาเนีย่ยก็อาจจะอิจฉาคนที่เขาสวยกว่าเขาหล่อกว่าเขาไปกินร้านอาหารที่แพงกว่าเขาใส่สินค้า แบรนด์เนมที่มันสูงค่ากว่านด้กกลายเป็นคนที่ทุกง่ายแล้วก็อิจฉาคนได้ง่ายเหลือเกินก็ดูเหมือนว่าการโชว์แบบนี้มันหรือการอวดแบบนี้มันไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่มันทำให้เราเป็นคนทุกง่ายมีความทุกในีง่าย ในทางวิทาศาส์นาท่านสอนให้เราพยายามลดอัตตาลดตัวตนหรือว่ายึดมันถือมันในตัวตนให้น้อยลงมานะคือกิเลสที่ต้องลดให้ได้มากที่สุดและวิธีที่เราจะลดมานะคือว่าหักห้ามใจนะไม่โว์ไม่อวด น, นะหรือว่าใครเ็าจะไม่ชมเราก็ช่างเขาเราไม่แสวงหาความเป็นซัมบอดี้ เราสามารถที่จะเป็นคนธรรมดาได้ไอ้ที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะความหมายขั้นพื้นฐานำต่าๆคือว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดจะเป็นอะไรให้ใครเขาชมหรือไม่หรือแม้ทําดีก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะอวดทําบุญที่ไหนปฏิบัติทําที่ไหนก็ไม่ต้องท่ายภาพขึ้นเฟซ หรือว่าเซลฟี่เซลฟี่เนี่ยมันก็ความหมายก็บอกอยู่แล้วอวดตัวตนแล้วเซลฟี่กับเซลฟิสนี่มันใกล้กันนะเซลฟี่ <laughs> กับเซลฟิสเนี่ยคือเซลฟี่บ่อยๆมันกลายาาเป็นเซลฟิสขึ้นมาได้คือเห็นแต่ตัวนะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ชาวพุทธเราหรือผู้ใฝ่ธรรมปรารถนาอยู่นะแล้วแล้ถ้าเราลดตัวตนเท่าไหร่นะหรือว่ายึดมากถึงมากในตัวตนมื่อไรได้มาเท่าไหร่นะ ถึงเวลาที่มีความทุกข์นะมันก็ทุกข์น้อยนะเวลามีเวลามีใครเข้ามาตาหนิตต่อว่าก็จะทุกข์น้อยยิ่งไม่มีตัวตัวหรือยิ่งไม่ทุกข์เลยนะมันเหมือนกับกระจกนะถ้ามีกระจกเนี่ยเวลาก็เห็นตกมาก็อาจจะแตกแต่ถ้าไม่มีกระจกเลยก็เห็นตกลงมาเนี่ย มันก็มีอะไรเจ็บคนที่ไม่มีตัวตนนี่มีอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนนะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยมงคุลสูตรผู้ที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วเนี่ยจิตของผูดใดอันโล ก, กทานทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หมันไหวไม่เศร้าโศกร่ายชูดรดุกิเลสเนี่ยเพราะว่ามีตัวตนน้อยหรือว่ายึดมั่นถือมันในตัวตนน้อยมาก แล้วถึงเวลาปวดนะเวลาเจ็บนะมันก็มีแต่ความเจ็บความปวดนะไม่มีผู้ปวดนะนนถ้ามีตัวตนไม่ไหลมันก็จะมีความเป็นผู้ปวดผู้เจ็บผู้สูญเสียผู้โกรธแต่ถ้าตัวตนน้อยมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ถึงเวลามีถึงเวลาตายก็มีแต่ความตายไม่มีผู้ตายเพราะมันมัน ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลแต่ถ้ามีตัวตนหนา น, นั่นเมื่อไหร่เนี่ยเวลามีความปวดมันก็ไม่ใช่มีแต่แค่ความปวดมีผู้ปวดด้วยแล้วปวดมากเลยเวลามีความโกรธก็มีผู้โกรธโกรธมากด้วนยะเวลามีความทุกข์ไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวมีแต่พูดทุกข์ก็ทุกข์มากเลยเนั่นเนี่ยมาช่วยมามาช่วยกันลดนะ ตัวตนล ด, ดความยึดมั่นถือมันในตัวตนแล้วก็สวนทางกับความปรารถนาที่จะมีตัวมีตนเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักแม้ว่ามันจะรู้สึกอัดอั้นตันใจเวลาทำดีแล้วอยากจะอวดแต่ถ้าเราลองหักข้ามใจไม่อวดไม่ให้อาหารากิกิเลสอัตตาหรือมารนะต่อไปมันก็จะมีจิตใจที่เบาบาง แล้วก็ทุกน้อยลง